ละถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติละถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติละถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สลักทิฏฐิบาปการอับพานภิกษุนั้นผู้ถูกสงลงอุเขปนียกรรมใช้ไม่ได้ถ้าภิสูุนั้นถูกเรียกเข้าหมู่อีก